วิปัสสนานนบาลบทที่หเปลี่ยนปมปัญหาเป็นเครื่องมือเกือบทุกคนมีปมปัญหาที่แก้ไม่ตกในที่นี้จะไม่มุ่งปมปัญหาภายนอกอันได้แก่เรื่องราวต้นสายปลายเหตุของความทุกข์ใจแต่จะพูดถึงนิสัยทางจิตอันเป็นปมปัญหาภายใน ซึ่งหากแก้ได้แม้ปมปัญหาภายนอกจะรุมเร้ารุนแรงสักแค่ไหนก็ทำให้ทุกใจได้ไม่มากหรือถึงแม้ทำให้ทุกใจได้มากก็ไม่ขาดสติขนาดทำเรื่องเลวร้ายเยี่ยงคนจำนวนจนตรอกทั้งหลายนิสัยทางจิตที่ทำให้ทุกแรงรวมทั้งบั่นทอนสุขภาพกายสุขภาพจิตขนาดที่ควรจัด เป็นโรคทางใจมีอยู่ห้าข้อเรียงตามลำดับความเป็นอันตรายอันเริ่มเข้าขั้นวิกฤตในโลกปัจจุบันได้ดังนี้ 1. โรคบ้ากามหมกมุ่นขนาดขาดความยับยั้งชั่งใจก่ออาชญากรรมทางเพศได้ 2. โรคอาฆาตข้างแ้นจุก อ, อก จนวูเ้เผลอก่อคดีฆาตกรรมสะเทือนขวัญได้ 3. โรคช่างทอหดหูเสื่อมซึมจนเข้าขั้นไม่อยากมีชีวิตอยู่ต่อ 4. โรคคิดมากเคร่งเครียดกระทั่งหลุดโลกจนเป็นบ้าได้ 5. โรคขี้ลังเลจับจดจับชาย จนทำอะไรไม่ประสบความสำเร็จสักอย่างถ้าใครมีข้อใดข้อหนึ่งเป็นโรคประจำตัวจะเห็นอยู่กับตนเองว่าแม้ยังไม่เกิดโทษรุนแรงขั้นสูงสุดดังกล่าวแต่ละข้ออย่างน้อยก็ก่อทุกข์ก่อโศกให้คุณมากบ้างน้อยบ้างไม่เว้นแต่ละวันหรือกระทั่งแต่ละขณะจิต นิสัยหรือพฤติกรรมทางจิตผิดๆที่เกิดขึ้นเป็นประจำนั้นไม่เคยมีแบ่งว่าทำร้ายราวทางโลกหรือทางธรรมตราบใดนิสัยทางจิตยังเป็นไปในทางลบตราบนั้นชีวิตทางโลกจะตกต่ำดำดิ่งลงไปเรื่อยๆและชีวิตทางธรรมจะไม่อาจก้าวหน้าไปไหนรอดด้วย าคุณทดลองตามรู้ลมหายใจให้สม่ำเสมอดังที่กล่าวไว้แล้วในบทก่อนๆจนเกิดความเป็นอันตโนมัติขึ้นมาระดับหนึ่ง <c oughs> ก็จะพบความน่าอัศจรรย์ที่โรคทางใจต่างๆลดลงโดยไม่ต้องพึ่งยาไม่ต้องหาหมอไม่ต้องรอให้เรื่องนอกตัวดีขึ้นอย่างไรก็ตามสำหรับคนเมืองแล้ว มีโรคชนิดหนึ่งที่แก้ให้หายขาดได้ยากนั่นคือโรคคิดมากเคร่งเครียดไม่อาจขจัดพายุ ค, ความฟุ้งซ่านออกจากหัวสำเร็จเพราะคนเมืองต้องทำงานและงานในปัจจุบันก็เต็มไปด้วยมรสุมนานาชนิดหากวิธีคิดขณะทำงานของคุณผิดพลาดคุณจะไม่มีวันหยุดฟุ้งซ่านได้ด้วยอุบายใดๆเลย เนื่องจากชีวิตส่วนใหญ่ของคุณจะใช้ไปเพื่อก่อเหตุแห่งความฟุง้งดังกล่าวแล้วว่าบทนี้จะมองนิสัยทางจิตผิดๆเป็นปมปัญหาคราวนี้มาพูดถึงการใช้วิปัสสนามาเยียวยาความเครียดหรือโรคคิดมากกันสิ่งที่จะกล่าวต่อไป น, นี้โดยหลักการ อาจดูว่าง่ายจนเกินเชื่อว่าทำได้จริงแต่ในทางปฏิบัติอาจเห็นว่ายากจนเหลือที่จะฝืนฉะนั้นขอให้ทำใจเป็นกลางและทดลองดูหลายๆครั้งจะพบด้วยตนเองว่าไม่ต้องเรียนรู้วิชาการให้ซับซ้อนเท่าจิตแพทย์คุณก็สามารถแก้โรคเครียดโรคคิดมากด้วยตนเองได้ ก่อนอื่นต้องสำรวจตนเองจริงจังว่าความคิดในรูปแบบที่คุณเป็นอยู่นั้นนำไปสู่ความเครียดหรือพูดง่ายๆว่าเป็นคนคิดแล้วเครียดหรือไม่ขอให้ลองตอบคำถามเหล่านี้ดู 1. รู้สึกอึดอัดขณะ ก, กำลังคิดเหมือนยิ่งคิดยิ่งเพิ่มแรงกดดัน 2. คิดเรื่องใดเสร็จแต่รู้สึกเหมือนยังคิดไม่เสร็จ 3. เมื่อตั้งใจพักผ่อนกลับย้ำคิดวกวนไม่รู้จบ 4. แม้มีเรื่องเล็กน้อยให้คิดก็หน้านิ้วคิ้วขมวดหรืออย่างน้อยก็เกรงตัว 5. มีใจเร่งร้อนเกินการ หรือทุ่มกําลังในการคิดมากเกินเหตุเสมอสํารวจดูตัวเองแล้วยิ่งตรงกับสิ่งที่คุณเป็นอยู่มากเท่าไหร่ยิ่งแปลว่าคุณมีความเครียดมากขึ้นเท่านั้นซึ่งจะมากหรือน้อยไม่สําคัญที่สําคัญคือคุณได้รู้ตัวว่ายังเป็นคนคิดแล้วเครียดหรืออีกในหนึ่งคือมีลักษณะคิดจากพื้นนิสัยเคร่งเครียดจริงๆ หัวข้อหลักวิปัสนาเพื่อแก้นิสใสคิดเครียดหนึ่งก่อนอื่นต้องสลัดความเชื่อเดิมๆทิ้งไปที่เคยนึกว่าความเครียดมาจากสิ่งกระทบภายนอกเช่นความบีบคั้นในที่ทำงานหรือที่บ้านขอให้ตั้งมุมมองใหม่ปักใจเชื่อว่าความเครียดมาจากวิธีคิดเท่านั้น เพื่อให้ขอบเขตในการจัดการแก้ปัญหาแคบลงมากที่สุดคือแก้กันที่ลักษณะการคิดอย่างเดียว 2. ขณะคิดเรื่องใดสำรวจดูว่ากำลังเครียดหรือไม่คือมีความรู้สึกแข็งแข็งอยู่ในหัวคิ้วขมวดหน้าผากตึงอึดอัดอยู่ในอกมือเกรงเท้างอ ยังได้ย่ังหนึ่งหรือทั้งหมดรวมกันหรือเปล่าถ้ามีอยู่ขอให้หยุดคิดชั่วคราวหันความสนใจมาสำเนีครู้สึกถึงลักษณะเครียดที่เกิดขึ้นในร่างกายตรงจุดที่เรารับรู้ได้เด่นชัดที่สุดพิจารณาว่านั่นเป็นส่วนเกินตั้งหากจากความคิดอย่าทำอะไรมากกว่าเห็นส่วนเกินนั้นให้เฝ้าดูเฉย เราจะพบว่าส่วนเกินนั้นละลายหายไปเองอาจช้าหรือเร็วแต่มันจะหายไปขอให้ลองดูจริงๆก็แล้วกัน 3. เมื่อเห็นภาวะเครียดหายไปจะเกิดความรู้สึกปลอดโปร่งโล่งเบาขึ้นแทนณนะจุดเดิมนั้นๆ กับทั้งมีความรู้สึกในอิริยาบถปัจจุบันเช่นนั่งหรือยืนขอให้ทำความรู้สึกอยู่กับสภาพเบากายครู่หนึ่งเพื่อเปรียบเทียบให้เห็นความต่างระหว่างสภาพหนักเมื่อครู่ก่อนกับสภาพเบาในปัจจุบันการกาหนดรู้ถึงความแตกต่างระหว่างหนักกับเบาจะมีส่วนสําคัญยิ่ง เพราะสภาพหนักกับสภาพเบาเป็นสิ่งที่จิตจดจำได้ดังนั้นเมื่อลองสังเกตให้เห็นจนเกิดความหมายรู้สามารถแบ่งแยกความแตกต่างระหว่างสองสภาพสิ่งที่ตามมาคือปัญญาเห็นตามจริงคือหนักก็แค่ภาวะหนึ่งของกายกับจิตเบาก็แค่ภาวะหนึ่งของกายกับจิต ไม่ใช่มีภาวะใดภาวะหนึ่งเป็นตัวคุณอย่างถาวรเลยยิ่งเห็นภาวะต่างบ่อยขึ้นเท่าไหร่ก็จะยิ่งเกิดปัญญาเห็นทุกภาวะไม่ใช่ตัวตนของคุณมากขึ้นเท่านั้นด้วยหลักการง่ายๆสามข้อข้างต้นเพียงเท่านี้เมื่อกลับไปคิดถึงภาระหน้าที่การงานอีกครั้ง ด้วยกายที่สบายและใจที่ปลอดโปร่งกว่าเดิมคุณจะพบว่าที่ผ่านมาคุณทำตัวเองให้เครียดไปโดยเปล่าประโยชน์แท้ๆเพราะเราจะทำงานหรือแบกภาระปัญหาได้ดีที่สุดขณะ ก, กายกับใจมีความสงบนิ่งปลอดโปรง่งเหมือนเตรียมถนนว่างๆให้พรักพร้อมรับการแล่นฉิวของขบวนความคิด นับสิบนับร้อยระลอกเพื่อเป็นแบบฝึกหัดเบื้องต้นที่สามารถทดลองทำได้ขณะกำลังอ่านหรือฟังอยู่นี้ขอให้ลองทำตามเป็นข้อข้อข้างล่างดู 1. สังเกตนิสัยทางการอ่านหรือฟังหนังสือของตัวเองว่ามีอาการเพ่ง หรืออาการรู้สบายสบายถ้าเพ่งจะเห็นตัวหนังสือแคบจำกัดแต่ถ้ารู้สบายสบายหัวคิ้วไม่ขมวดหน้าผากผ่อนคลายหลังตั้งคอตรงคุณจะทอดตามองเห็นได้กว้างขึ้นหากรู้ตัวว่ามีนิสัยการฟังหรืออ่านแบบเพ่งแรกๆให้สังเกตอาการขึงตาหรืออาการเกรงตัว และให้ทราบว่านั่นเป็นเครื่องสะท้อนว่าใจกำลังเพ่งหนักโดยไม่จำเป็นขอให้หยุดฟังหยุดอ่านเพื่อสังเกตความแข็งตัวติดค้างทางจิตเพียงสองสามวินาทีจะรู้สึกว่างลงขึ้นนิดหนึ่งให้จาภาวะนั้นไว้ใช้ฟังหรืออ่านหนังสือต่อไปติดความเครียดอีกก็หยุดอ่านอีก ทำบ่อยๆจะค่อยๆกลายเป็นนิสัยใหม่ถาวรแต่อาจไม่ใช่ในชั่วข้ามคืนหรือข้ามอาทิตย์นิสัยการฟังหรืออ่านแบบสบายอาจเป็นจุดเริ่มต้นที่ดีและทำได้ทันทีเพราะวินาทีนี้คุณก็กำลังฟังหรืออ่านอยู่สอง เดินไปในที่ที่มีต้นไม้ใบหญ้าและอากาศที่ปลอดโปรง่งหากเป็นเวลาที่ฟ้าใสด้วยจะเหมาะมากถ้าเดินเท้าเปล่าเหยียบพื้นหญ้านุ่มได้ยิ่งดีใหญ่เราสังเกตว่าขณะตามองดอกไม้ขณะที่หูฟังเสียงนกร้องขณะที่ฝ่าเท้ารับสมัมผัสใบหญ้าใจคุณกำลังคิดถึงอะไร หากไม่เกี่ยวกับดอกไม้ที่ตายเห็นไม่เกี่ยวกับเสียงนกที่ได้ยินไม่เกี่ยวกับใบหญ้าที่สัมผัสขอให้ถือว่านั่นเป็นรากของความเครียดทั้งสิ้นไม่เว้นแม้แต่ความอยากให้คนที่เรารักมาชมสวนด้วยกันแต่หากความคิดของคุณวนเวียนอยู่กับความสังเกตสังกาสีสันและรูปทรงสันฐานของมวลไม้ ขอให้ถือเป็นตัวอย่างการว่างจากความเครียด 3. เมื่ออยู่ระหว่างวันไม่ว่าจะเจอใครคุยกันเรื่องอะไรหรืออยู่คนเดียวแล้วครุ่นคิดถึงสิ่งใดขอให้สังเกตสังเกตและสังเกตว่าขณะหนึ่งหนึ่ง เครียดแล้วคิดคิดแล้วเครียดยิ่งขึ้นอีกหรือว่างจากเครียดแล้วค่อยคิดเพียงเมื่อเปรียบเทียบได้บ่อยๆจนเห็นว่าเครียดก็แค่ภาวะหนึ่งที่ปรากฏให้รู้ว่างสบายก็แค่อีกภาวะหนึ่งที่ปรากฏให้รู้เช่นเดียวกันไม่มีภาวะใดภาวะหนึ่งเป็นตัวคุณ คุณไม่ต้องจมปลักอยู่กับภาวะนั้นๆตลอดไปเท่านี้ก็เรียกว่าเป็นวิปัสสนาขั้นต้นได้แล้วหลังจากฝึกไปสักสองสาวันขอให้ลองประเมินผลด้วยการสำรวจตนเองดูหากสิ่งเหล่านี้ปรากฏบ่อยขึ้นเรื่อยๆหรือกระทั่งเป็นประจำทุกครั้ง แปล ว, ว่าคุณว่างจากความเครียดก่อนคิดแล้ว 1. รู้สึกผ่อนคลายขณะกำลังคิดเหมือนยิ่งคิดยิ่งมีสติรู้ชัด 2. คิดเรื่องใดเสร็จแต่รู้สึกว่าโล่งอกงานจบไม่ตกค้าง 3. เมื่อตั้งใจพักผ่อน ก็รู้สึกปลอดโปร่งสบายยิ่ง 4. แม้มีเรื่องหนักหนาให้คิดก็มีสีหน้าผ่อนคลายสบายทั้งตัว 5. ใจเย็นรอผลสมเหตุตามควรแก่เวลาและใช้กำลังในการคิดนิดเดียวแต่ได้เหตุได้ผลสมบูรณ์แบบ หากประเมินดูแล้วพบว่าคุณมีคุณสมบัติครบทั้งห้าข้อขอให้สังเกตความเครียดหรือความเกรงที่เกิดขึ้นแม้เพียงเล็กน้อยขณะเผลอตัวกับทั้งกำหนดพิจารณาว่าริ้วรอยความเครียดที่แทรกตัวเข้ามาท่ามกลางความสบายใจนั้นมีความไม่เที่ยงเมื่อถูกรู้แล้วต้องคลายลงเป็นธรรมดาแต่คลายแล้ว ก็ควบคุมให้หายไปตลอดการไม่ได้เพราะความเครียดไม่ใช่ตัวคุณและตัวคุณไม่ใช่ความเครียดสรุปบทนี้พูดถึงปัญหาใหญ่หลวงของคนยุคปัจจุบันคือโรคเครียดที่ความจริงแล้วแก้ได้ง่ายนิดเดียวไม่จำเป็นต้องไปเข้าคอร์สอบรม หรือขอยาจากไหนเลยแค่คิดให้เป็นคิดจากอาการสบายให้คล่องเท่านั้นไม่กี่วันก้อนแข็งแข็งที่เลวร้ายในโพรงกะโหลกและในโพรงอกก็จะละลายไปจนหมดสำคัญคือคนไม่รู้วิธีคิดจากความสบายกันเองเลยซ้ำเติมความเครียดเข้าไปไม่หยุดหยอนวันหนึ่งก็ระเบิดพลบออกมา ซึ่งนับว่าเป็นเรื่องน่าเสียดายเพราะเมืองไทยเป็นเมืองพุทธที่มีวิปัสสนาและหลักวิปัสสนาก็ช่วยให้พ้นจากความเครียดได้ง่ายแสนง่ายด้วย